ตามมเทศนากันนี่ในคืนวันที่ห้าธันวาคมพศส5งพัหร้อยเก้าณวัดป่าบานตาจังหวัดอุดรธานีเปิพับไว้แตินนั่นขรั่งฟังดีท ม, มานเปเนปศมาตินั่งฟังไปตลอดหลา ย, ลายชว่วโมงกติได้อยู่กดวา่าขรั่งฟังดีกติพูดไปตามที่ได้ความ จากคนเราจะหลักเงาแค่อคยอันเห็นในหนังสือจากคุณวุบาลีคุณคุณโอปาม า, ารา์ท่านสแสดงไว้บางแห่งก็ยังเป็นที่ลึกว่าท่านว่าอาวิชาเป็นลักธแก้วของมนุษย์ท่านให้คตีไว้อย่างนะั้นเคยอันเห็นแน่าหน้า น, นเก็ยังจำได้กำมาได้นิ่สำหาพท่านแสดงอีก ก็ยิ่งสั่งเติมนั่รู้สึกว่าแต่ของก็คยพิจารณาก็ยย่งพันพ้นไปจากอวิชชาพัฒนาผู้ไม่รู้ ไ, ม, ไม่ได้เป็นแต่พ่อฟังขอใจหรือกำลังพิจารณากันอยู่เป็นเนื่องจากกำลังของสติปัญญาน้อยธรรมดาผู้รอบรู้ท่านว่าแล้ว ตามความขา้อแกที่ฟังแล้วนี้ธรรมชาตทิที่ไม่รู้ที่ว่าอาวิชชานั้นเป็นธรรมชาติของสังขัรตัวจริงเป็นสภาพผู้ปุงแต่งคล้ายๆว่าอะไรทั้งหมดเกิดจากนั้นท่านว่าอย่างนึง่งท่านพูดตามหลักมเแล้วว่าเออนี่คือว่าจิเรียนธรรมหาอยูด้วอกัน ให้เห็นอ่านเห็นตำเบ็ดต่้งแตยังว่าพบมี่สองอุปัติภพกรรมมาภพยิบอุปัติภพกรรมหมายเข้าใจว่าขันห้าลูกน้ำทั้งหมดตัวโคนรนี่แหละเป็นอุปัติภพเรียกว่าความเกิดแล้วเข้าใจว่ากรรมมาภพนั่นเป็นหลักเงาของอุปัติภพข้อมากรรมมาภพก็เข้าใจว่า สังขารไม้กิจที่ไม่รู้นี่แหละเป็นตัวกรรมภพเข้าใจว่าสังขารรูปหน้าอาการค้นพบทังสิ้นถ้าว่าอย่างนึงแล้วก็เรียกว่าสภาพของอวิชชาตัตวจริงหรือว่าอมตะทรามที่ไม่ตายนะั้นเป็นธรรมชาติของสังขารก็นับว่าเป็น เป็นตัวอะกิริยาก็ได้ส่วนกิริยาทางสิ่งก็เกิดจากอากิริยาคือแต่ภาดที่ไม่ตายนี่แหละแต่ภัดของแต่คันเนี่ยตามความเข้าใจจะนึกไว้ว่าจะเรี้ยนชึกษาธรรมนิดเดียวแต่ความเข้าใจจะพ่พิรุธผูกนั่นก็ตัง้งใจไว้แค่เรียนทรรมอยู่แต่ค่อยสังเกตให้กําหนดสังเกตว่า สภาพนัรรร่นปุงเสื่งใดกันมาใช่ปุงเวทนาหรือสัญญาหรือทั้งขันวิญญาณกมามะจะมีตัวออกมาพร้อมให้ตัวเล่าธรามาราณ์เข้าใจว่าเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นตัวสมมุติอืมแต่ว่าตัวแทนคือแท่นตัวจริงตัวจริงก็หมายสภาพกรรริตทิว่าวิ ช, ชันเข้าใจว่าเป็นเป็นตัวจริงเป็นทัรรร้งขันตัวจริงความสมมุติ งเวชนาสัญญาสังขารไม่ยั่นเหล่านี้ความเชื่อตนเื่อตัวสมมติมาพอกเดล๋วมีตัวแทนออกมาพอกเวชทุปเวชนาเลือทุกเกิดมากกันเกิดเป็นตัวมาพอกเป็นเล่าเป็นเขาุเห็นตามว่าเป็นทุปของเล่าเป็นทุกของเล่าเป็นความนึกความคิดของเราเป็นความหลุดความเพียนของเราอันนี้เขาใจความหมายเล่าว่านี่เขาใจว่าเป็นตัวแทนแทนตัวจริงหรือว่าเป็นตัวสมมติ ธรม่านนิทานว่าเออการเห็นว่าถุภาสตัวสมุดบรรดาที่สังขารก็เก่งปรุงแต่งออกมาเนี่ยก็นับเขาในที่วอุปปจิัณเข้ายแยบว่านับเขาในค้อมเกิดอุปปติกับไม่ค้อมว่าเกิดเป็นสภาเดียวกับหลุมน้ําคันห้าจับเขาค้อมเกิดบรรดาที่ได้เกิดทั้งสิ้นกับข่อยว่าต้องเป็นสภาตาย ต้องเป็นสภาพตายอันนี้เจ้ามาจำเนียกสอนใจของอยู่เมื่อเราจะมาเป็นตันเป็นตวนยวยกสภาพมันตายแล้วเราก็จะต้องตายเราก็จะต้องเกลียร์เราก็จะต้องเก็บเรา ก, ก, ก็จะต้องทุกข์อันนี้เป็นเรี่องคิดสอนคิดอยู่ก็เป็นว่าความที่มหมายเช่นสัญญาข่ม ค, คิดเห็นคล้ายๆก็ว่ามันก็ถูกฉัดช่ายออกมาจาก อวิชาหรือจากสร้างขันตัวกิง่งก็ที่ไม่เอาอวิชาเป็นสังขารพ่อสัพพะภะมันเป็นผู้ปุงแตงเช่ทงทั้งหลายมันก็ว่าอาศัยอ น, น, น, นะนั่นแหละเกิดขึ้นอาศัยสร้างขันตัวกิ่งสัพพะภะนั้นผู้ปุ่มผู้แตงยังเมทนาสัญญาสร้างขันก็คือโมีเมาร่วมใจความแหลวก็เรียกว่าเชิงเกิดเกิด็จากเลิกเกิดเพราใครที่ไปโทอดเท่าไหาะะรหรอกกับเมลียาโยกับเจ้าตัวนี้แหละตัวผู้บรูนี่แหละเห็นว่าเป็นเสนียดแกนไล่หรือเป็นไพ่แก ตนยังรุนแรงอยู่เหมือนกันคนามูกความเขียนเนี่ว่าประชุมมาอยนี่อยู่ที่พูดนีก็เพื่อจะได้เป็นบริเรียนสมหาด้วยที่เราไปิ่นนี่มุ่งเป็นการศึกษาไปในตัวเพื่อจะได้จะ ร, รับฟังในการต่อไปด้วยถ้าผู้ปฏิบัติเนี่ยังสอบคุณแม่เป็นผู้โย่ใกล้โพธิ์จำนีจำนาน ค้องใจรวงเลยสบายไปแล้วทำไมถือมันในความถือเล่าถือเขาถือตุนถือตัวหรือในลูกน้ำ น, นี้ส่แสดงว่าเป็นยังไนแหละก็ค้องจะเบาใจไปแล้วนั่นว่าเป็นที่เบาใจอืมอ응ือ응อือ응 แต่แค่พูดกว่วงขวางไปอย่างการหมานั่นบอได้หลอกไปแค่แคบอรรมานั่นจะพูดถึงความรู้อื่นกับบมี่หอกเพราะว่ากรรมะข้อนอยู่แต่ลูกกบนาบนี่แหละท่างยังตั้งคนแสดงนะแสดงเรียงแสดงเรียงลูกกบนาบนี่นะ่ะฟังได้ออื่นก็พอค่อยเข้าใจ ก็ค่อยฟังเรียนเนติเลยเปรียบคอร์คอจิบาสตัวแปรนอกเนี่ก็ค่อยเออเอาตาดูเอาหูฟังอยู่แต่มืนึกวิจตรโอ้แต่ว่าสายไปสักหน่อยเด้๋ยว่าจวนคําไปสักหน่อยเนาะเอาแต่ยังไรก็ยังดีแต <c oughs> ับมันอนึกเอาตัวอย่างเออแต่เพื่อนฝรั่งฝรั่งเพื่อนเต้ ไก่กล้าอยู่คนาเรียงมุมโลกมันก็ยังอดซามาแต่ภาษามันก็ฟังใหม่เข้าใจแต่ถึงมว่าจะสายไปหน่อยหรือจะขังไปหน่อยก็ก็พอฟังเข้าใจมันเรื่องใจเอาแคาน <c oughs> นน่นี้ล่ะเน็กก็พันย่ามจะใครที่ใครดูตัวนี้ลหละเป็นที่สำคัญความคือเขียน ที่เด้เคยเด็อกอบคนมาแล้วพ่อแม่ยิ่งยิ่งยิ่งเลยฟั่งเข่าก่อนที่จะห่างจากครูจากอาจารย์แล้วกับขวดใส่แบตใส่แฟนบัตรก็มีบางขง้ืมแต่ตอนใหญ่ก็ไม่ยันอยู่ที่สภาพที่ไม่รู้นี่แหละเป็นตัวสําคัญมากถ้าผ่านนั่นเข้าใจว่าสภาพตั้งขันตัวจริง หรือทว่าคิดตัวจริงไม่ได้ถือตัวเป็นตัวอันนี้มันลู้ยากแล้ว้าไปลงตัวปลอมของเราคือตัวสมมติหรือว่าตัวแทนโดยมากนักปฏิบัติกวัวมันลําบากก็ตรงนี้ล่ะเพราะว่าคิดตรงเดียวกวจริงแต่ว่าจําแลงตัวไปเลยมากเลี้ยเกินเลยมากหลายอย่างที่ว่าจัดเป็นกิเลสพันห้าตันห้าร้อยแปดเดือบคิดแปดสิบเก้าดวงก่อพินาศการกิริยาต่างข้อมเข้าใจว่าตัวจริงก็ไมีอยู่แต่พราะเท่านี้ล่ะ ผู้ปฏิบัติสอบคนดูเห็นส่วนข้องหลังกายตามะภาวความเป็นจริงและลูกเรีนยน้ำตลอดถึงเกลืตัหามาณทิฐิความสมุดเท่าเท่อเขาเท่ตัท่ตัวเรานี่เป็นอุปติสเป็นสภาวะควมเกิดแลเป็นสภาวะจต้องแก้แก้ตายเป็นสภาวะจริงอยู่ยังนานอยูก่ก็จะทาอย่างไดอยู่กันนาพิจณาอยู่อันนี้เลา ความเจ็บตายนี่ก็เป็นอริยสัจของจริงซะด้วยอีกไม่มีทั้งจะลบหลีกไม่มีทั้งจะลบหลีกเลยแต่ถือมาถือเป็นตัวเป็นต่ออยู่กับสภาพสมมุติอันนี้แล้วก็แจ่มเป็ี่ยนเราอย่างไรเราก็สังเกตอย่างไรเราก็สังแกตตรงตายกันก็จะถ้ามีอะไรยุบหนีหลับเป็นการเร ด, ดียดรอดตื่นอยู่เสมออยู่ดอกอันนี้นะว่าสำคัญมาก เพราะมันเป็นเรียงจริงเรีงองความเจ็บตายนี่แหละค่ายก็เจะของนั้นยังเหลือจะเรื่ความเจ็บตายแกมันก็แกแล้วยังจะเจ็บตายเท่านี่แหละอืมถ้าะเก็บซะก่อนปฏิบัตายง่ายแต่จเจ็บนักงนักด้นมาเขาได้ก็ต้องตายกันเข้าหน้นแล้วนอกมันนี้นั่นนึกทั้งเวทใจนสันยนี่นี่แหละนึกว่าตื้นตัวอยู่ในข อ, น, อนี้น่ะว่า นว่าเป็นภพยที่สำคัญยิ่งความเกียตายอยันนี้แหละเกีเกตาหน้าก็กลัวอยู่ก็เห็นว่าเป็นภพยอยู่นอกนั่นที่จับวันไหนเป็นตาลาแกนสารมันก็ไม่มีแล้วมดทั้งโลกตลอดถึงวัดทูมบัดตังตังตลอดถึงไม่ว่าแต่ สมบัติในภายนอกแม้ภายในตัวเราหลูดน้ามขันหาก็ันไม่ไม่พียงจะยึดเอาได้แล้วธรรมะกิจตรงนั้นเข้าใจว่าเป็นธรรมาชาติตัว ก, กรรมก็จะเอาเข้าไปได้จะเป็นของข้องใจของจิตดวงนั้นแทกกันนี่แต่กรรมคือบุญบาปเท่านั้น แต่ที่เอาวัตถุทิ้งๆ เ, เขาไปเพิ่มเติมนั่นก็เพิ่มเติมได้แต่เรา เ, าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ก็จะทํายังไงอีกก่อนทีทุกข์มากที่เราเกิดกันมาหลายภพหลายชาติที่ได้รับทุกข์ยากลํา บ, บากมากกับเพราะว่ามันไอ้จิตตรงนั้นละ่ะมันได้เอาวัตถุทิ้งืนมันไปยึดทิ่งๆืันาเป็นสมบัติองตนแต่อันนี้ยั ง, งเรียกว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ การกองเอาจำได้เ็เพราะตัวเล่าหนันก็จะเป็นทุกข์หลับถึง <c oughs> ยังปล่อยให้เราไปเอาซึ่งอินคําา่าแล้วก็อดจงได้ก็ต้องทุกข์เป็นธรรมดาที่เอาสิ่งได้ไม่ได้เข้าใจว่ากิจดวงเีวานี่นะมันมของแท้ข้อเีวนไหน ม, มีอะไรเป็นของคงต ồ ยังเราค่อยตรวเค่ยว่ากัน ธรรมดายังว่าเรามีความเกศเป็นธรรมบัหรือว่ามีความเกศเ็บตายเป็นธรรมดาไม่มีใครจะรวมพลจากความเกศเจ็บตายไปได้แลแ้วจำเป็นเราจะต้องคลากคลาดจากของรางของชอดใจทั้งสิ้นไปเรามีกรรมคือบุญบาปเป็นของข้องตนกิงเหลือเกินเขาแจว่าริงในคำนี้ ช่างตัวศึกษาไม่รู้มา ก, แ, กแน่รู้แน่ๆเราเท่านี้ก็คงเจ้าตนลดฝนก็ได้หรืออาจยาพันเท่าเบาบ า, างไปได้ก็เห็นว่ามีแต่กรรมหลากเป็นของของเราสอนสมุิเขาของเงินท่องบุตริจาพรรยญาทุกเิ่งทุกอย่างมานก็เป็นสมบัติของโลกแต่เมื่อเราเยังเป็นสัตว์โลกอยู่แล้วก็ถือสิทธิ์ได้ แต่เมื่ออัตภาพเนี่ยแตกง่ายแต่ล้วเรามดสิตแล้วล่ะเขาของสมบัติในโลกก็ยังเหลืออยู่แต่กรรมคือบุญบาปนั่นะที่เราทำดีทำชั่วจะเทตำไปอันนี้ก็เป็นความจริงล่ะแต่ก็เค่อยสังเกตไว้ภาพจิตตรงนั้นมันก็เป็นสภาพอยู่อย่างนั้นแหละ แต่จะเป็นของของกิดแท้ก็เรียกว่ากรรมคือบุญบาปเมื่อนถ้ำลงไปแล้วถึงไม่ไหลก็เรียกว่าเพราะธรรมชาติเป็นโต้บุญโตบาปอยู่แล้วเมือ่อทถ้ำบาปก็เป็นกิดบ๊าเมือ่อทถ้ำบุญก็เป็นกิดบุญอแต่จะเอาเมือ่อเอาวัตถุอย่างอื่นเขาไปเพิ่มอีกว่เป็นของห้องตนมากก็่พวกใหญ่อะไรที่นี้มันก็เป็นพาลาดนละ <c oughs> หนักถึงลงเหี่ยวความเข้าใจกับทุดนี่แหละทรุดอยู่ใ น, ในไฟที่จังไรเราจะผลไฟคือความเก็บตายเท่านั้นมันก็เหลือตัวใจเก็บตายขึ้นในโรงงานมันเกิดนี่แหละปัญหาทั้งพันเยอะกว่นี้แหละเป็นไฟายหยญาย่ที่รุกกว่าแจมเป็นที่ทุดด้วยเป็นกงจริงที่ทุดด้วย เหน็นหจงนาอนุโมทัสทุการกผู้ที่พนไกลจากความเกียจตายไปแล้วนี้แต่ไกลจาก ค, ความเกียจตายแล้วกาถือว่าไกลจากกิเลสผู้ที่ไกลไปจากนี้ไปแล้วจังหน้ากราบหน้าไหวหน้าทัศราชิตุศนยหน้าบูชาถ่สุดไมายคำว่าผู้ที่พนไผ่ไปเลยนี่หน้าทัศราชิตุศูนย์หนากราบหน้าไหว้อืม ผลจะความเจ็บตายไปได้ตวนที่เหลือตระหามกับค ว, คว่ำผลไปแล้วการรันษาผลถู่ความเจ็บตายอย่างไปแล้วนี่สรุปแจกคว่ำความคว่ำลูกก็ดมันลุกได้เนี่ยตอนนี้ไปก็อหลักฐานธรรมหาเพิ่มเติม ทำยังไงปวดกขอยู่ในภพ่เนี่ยกอกมันรู้ยังไงจะผลไปไร่ดี๋วปัฒนาที่สุดแล้วกวกลัวที่สุดอะไ ร, ไ ก, ก, ร, ก, รกันได้แแดงมากกดต้อมพนเกียกันเวลาต้องไมาสามอะไร ก็แสดงมันเลยอยู่ตลอดเวลาแต่ขณะที่พิจารณาก็นั้นยังไม่ทราบว่าตัวเองพิจารณาวิชชาเป็นแต่เพียงว่านี่มันอะไรนาะเป็นข้อข้อของใจสงสัยอนั้นแล้วก็ย่างจิตลงไปที่นั่นทําความสนใจในจุดนั้นพิจารณาเลยมันเป็นยังไงไปยังไงมายังไงแต่แม่ก็ไปถูกตด เพราะเราไม่รู้ชื่ออะไรเป็นนิชิตานิชตาที่แท้จริงกับชื่อมันผิดกันเยื่องเป็นกระแสกระจายไปทั่วโลกนั่นมันเป็นจริงกันเพราะงัเราไปหาจับโจนผู้ได้ไปจับก็จะได้แต่สมุนมันทัน คนไหนก็เป็นสมุนของมันจับคนไหนก็เป็นสมุนของมันมันทราบวันนายมันอยู่ที่ไหนจับมากตัมากจับเข้าไปจับเข้าไปตีกระลอกเข้ไปถึงเรียกว่าล้อมจนที่เจ้าหน้าที่มีกําลังมีจํานวนมากแล้วมีําละกก็มีกําลังมากต่างคนต่าง อาศัยกันก็มีกำลังขึ้นสำหรับจนวาที่ลอมนอกจุดที่โจรอยู่โจรที่โจรอาศัยอยู่จับคนนี้มัดคนนั้นเข้าไปมัดคนนั้นไปถามตามธรรมดาโจรมันจะไม่บอกว่าใครเป็นนายของมันแต่ใครเป็นโจรก็มัดมันไปหมดจนไม่ให้มีเหลือสักคนในวงล้อมนั้น คนสุดท่านจะจะเป็นนายของโจรคนสุดท้ายมันมันจะอยู่มันจะอยู่ในในที่สำคัญคือสมุนของโจรจะต้องร้อมรอบขอบคิดรักษาไ ว, อาว้อย่างดีดีอย่างดีือถูกจับก็ไปเป็นลำนับลำดัเข้าจนถึงอุโมองค์ที่โจรอยู่ที่หัวหน้าโจรอยู่ พอฆ่าหมดไม่มีใครเหลือในที่นั่นแล้วมันก็ทราบชัดกันในเองอันนี้เป็นปรเรื่องรูปแบบวิจิตที่มีความเกี่ยวข้องกับสินใดมันก็เป็นขแขนงของความหลงไม่ว่าจะหลงทางดีทางชั่วมันเป็นเรื่องของอวิชาจิงการของอวิชาทั้งนั้น แต่ตัววิชากินไม่รู้นอบายวิธีพิจารณาต่างๆดึงเปืือกกระทาจะเทียบปูพุมา ก, ก็เหมือนอย่างเรายดนม้มเพื่อจะเอาปลาแต่น้ า, นา ม, มันมีจำนวนมากปลาจะมีอยู่จำนวนมากน้อยก่อนมันสวบยดน้มออกจนนํา ม, มันแห้งลงไปเป็นลำหนับํำหนับ ปาเมื่อกลุ่มตลวนเข้าไปร่วมเข้าไปตัวไหนอยู่ที่ไหนก็วิ่งลงในน้ําวิ่งลงน้ําน้าก็ถูกยิดออกเรื่อยๆยิดออกเรื่อยๆปาก็รวมตัวตัวไหนวิ่งไปไหนก็มองเห็นเพราะหน้ามันแห้งมันไปผลจุดท้ายเมื่อหน้ามันมีแล้วปลากม็มีที่หบหนีก็จับได้มีกว่าดูเสียงขึ้นนวเครื่องสัมผัส กับอาการท้องสิดที่มันค้าเข้ากันมันก็เหมือนกับน้าที่ปกคลุมน้ำที่มันเป็นที่อาศัยของพางการพิจารณาสิ่งนี้เราไม่ได้หมายจะเอาเหมือนกับคนที่วิทยน้าไม่ได้หมายจะเอาน้ำแต่หมายจะเอาปลาต่างๆการพิจารณาก็ไม่หมายจะเอาสิ่งโล่านี้แต่ให้รู้สิ่งเห้นนี้เป็นลาดับลำดับพอรู้ไปที่ไหนผิดก็หายทังบนรู้ทั้งสิ่งที่ไปเกี่ยวข้อง รู้ทั้งตัวเองผู้ไปเกี่ยวข้องมาเป็นผู้ผิดเป็นความเห็นผิดของตัวกินไปหลงรักของทางในสิ่งนั้นนั่นนี่นะวงก็แค่เข้ามาแค่เข้ามามเหมืองมันกับน้ํำแห้งเข้าไปเนยพิจารณาในธาตุในขันอะไรมันก็เหมือนกับจิงทั่วทัวไปภายนอกมัน ม, มีอะไรแปลก ก็เป็นด้านวัตถุถ้าพูดถึง่องทาตก็เป็นทางอันเดียวกันเรื่นี้นแตกคอาการน้องจิตที่แสดงตัวออกเร า, มาไม่เป็นหมายอันนี้มันก็ยังมันก็ยังเป็นกิ่งก้านของอำนาจแต่มันจะเข้าไปหาส่วนใหญ่จารนาเห็นสิ่งที่มาเกี่ยวข้องชัดเท่าไรก็ยิงยิงเห็นตัว ตัวออกไปเกี่ยวข้องชัดขึ้นทุกทีทุกทีทุ ก, ททกทเหมือนกับน้ามันแห้งลงไปอะไรก็เห็นตัวปลาชัดขึ้นทุกทีทุกทีการพิจารณาเห็นสภาพทั้งหลายทั้งภายนอกภายในกายในเจติกธรรมหังตัวชัดเข้าตะไลมันก็เป็นเหตุจะเห็นจุดที่อยู่ที่อาศัยที่เกิดที่เป็นตัวการสาคัญชัดขึ้นชัดขึ้นนฮะตล่อมเข้าไปเองความรู้ของจิตมันก็แคบเขไป ความของวลของใจก็มีน้อยกระแสของใจของที่ส่งออกไปของแค่เราก็เพิ่มตัวไปเกี่ยวกับเพื่อนอะไรก็พิจารณาเรื่องนั้นด้วยพิจารณาความกระเพื่อมของจิตที่ออกไปแสดงตัวด้วยเราก็เห็นทั้งสองเงนินและลูกเห็นลูกผลกันทั้งสองด้านคือด้านที่ไปเกี่ยวข้องสิ่งที่ถูกเกี่ยวข้องนั้นหนึ่งและผู้ไปเกี่ยวข้องนั้นหนึ่งขยับตัวไปเป็นอัน แต่ทนี้มาเข้าไปถึงตัววิทัยจริงๆเลยมากนักปฏิบัติท่ า, าไม่มีครูอาจารย์คนนี้ไว้ก่อนแล้วจะต้องประถือเอาตัวนั้นเลยว่าเป็นตัวจริงเพราะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างในพิจารณาแล้วเป็นความชัดในจิตใจว่าเรารู้เท่าและต่อร่างแต่หมดไม่มีสิ่งใดผู้ที่รู้สิ่งทั้งหลายนั่นคืออะไรนที น, นี้ก็ไปสร้างหัว น, นั้นไว้เนี่ยที่ว่าเป็นอนุจัก ยอาวิชารวมตัวแล้วกลับว่าเป็นตัวก้นชะตรีมาหลงอยู่นั้นจริงๆว่าวิชาก็คือหลงตัวเองนี่ส่วนที่หลงสิ่งภายนอกนั้นมันเป็นสิ่งก้านไม่ใช่เป็นเรื่องของวิชาแค่จริงมาหลงอันนี้เองถ้าหลงผู้ที่รู้สิ่งทั้งหลายผู้นี้เป็นอะไรน่ลืมพิพาทิจารย์ เพาจิตเมตื่อมีวงแคบเข้ามาแล้วจะต้องรวมจุดตัวเองจุดของจิตที่ที่ปรากดตัวอยู่เวลานั้นจะเป็นจิตที่ผ่งใสมีความยืดหยุ่นแจ่มไสมีความองอาจกล้าหาญความสุขก็รู้สึกว่าจะรวมตัวอยู่ที่นั่นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะมันมันเป็นผลของอะไร ถ้าพูดว่าเป็นผลยังเป็นผลอยู่เราจะพูดว่าเป็นผลของปฏิปทาเครื่องดําเนินก็ถูกทากว่าเราไม่หลงอันนี้นะถ้าเรายังหลงอยู่มันมัน ก, มนก็มันก็ยังเป็นสมมุไทยนี่แหละที่จุดของสมุติไทยจุดใหญแต่เท่านักปฏิบัติผู้มีความสนใจพิจงงารณาต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอแล้วก็ยังไงทนไม่ได้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 แล้วที่มีความสุขที่มันปรากฏขึ้นมามันก็มีอาการเปลี่ยนแปลงให้เห็นนี่ก็เป็นเหตุให้พิจารณาอีกเพราะในขั้นนั้นเป็นขั้นที่สังเกตมากความสุขมันก็ไม่แน่นอนความสุขที่ผิดคือจากจากวิชาจากวิชามันไม่แน่นันบางทีก็มีอาการเฉาเฉาบ้างเล็กๆน้อยๆพอให้ทราบมันแสดงอาการว่าไม่สม่ำเสมอนันค่อยมันพอเปลี่ยนตัวอย่างดียวนัน ตามขั้นหนึง่งทาที่ละเอียดมั น, นเป็นจุดที่จะนอนใจสำหรผู้ปฏิบัติมาด้วยความเข้มแข็งหรือด้วยความสนใจอย่างยิ่งแต่จะมานอนใจในจุดนี้หากไม่มีผู้อธิบายทราบไว้ลงหนาถึงอย่างไรก็หากถึงจะนอนใจก็ยังทนไม่ไหวที่จะทราบเหมือนกันถ้าใช้ความสนใจ มันมีเท่านั้นเป็นสิ่งที่ดูดดื่มจิตใจเป็นเหตุให้ดูดดื่มเป็นเหตุให้พอใจทั้งพิจารณาทั้งพอใจในในสิ่งที่ปรากฏนั่นละนตามข้อกล่าวกับผมในพิจารณามามันเป็นอย่างนั้นมันทําให้ให้งงเหมือนกันจนไม่ทราบว่าอะไรเป็นอธิชา ก็เลยเข้าใจว่าอันนี้แหละที่จะเป็นนิพพานก็คืออันนี้เองอันสว่างกาจางแจ้งมีตลอดเวลาคำว่าตลอดเวลาในสถานที่นี้หมายถึงตลอดเวลาของผู้มีความเพียรอยู่มีการชำระซักพอกกันอยู่เสมอและความสงวนกว่าสงวนมากอะไรจะมาแตะต้องไม่ได้ระมัดระวังอย่างเต็มที่พออะไรมาสัมผัสก็รีบแก้ไขกันทันทีสัมผัสนั้น แต่สิ่งที่เราสงวนนั้นหาได้ทราบไหมว่าคืออะไรความสงวนก็ความรักความสงวนนั้นมันก็เป็นภาระของจิตอยู่โดยดีแในเวลานั้นเราไม่ทราบถึงก่อว่าจะสมควรเจ ก, การแล้วก็เกิดความสนใจขึ้นจะพิจารณาในในจุดที่ว่านี่นี่มันเป็นมั น, ม, นมันคืออะไรนาะน ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เคยพิจารณามาแต่สิ่งมันนี้มันคืออะไรเนะอืยจิตก็เจาเข้าไปตรงนั้นปัญญาก็สอดส่องเข้าไปนี่มันมันคืออะไรแน่ไหมอันนี้มันเป็นความจริงแนะ่หรือยังไม่จริงอันนี้เป็นวิชาหรือเป็นอวิชานั่นคือมันเป็นข้อสงสัยทั้งนั้นแหะแต่อาศัยการพิจารณาพิจารณาไปตามที่ว่านี้ทมมําไมมันเกินรักมันทําไมมันจกินสมวน ถามว่าเป็นของที่จริงแล้วทำไมจะต้องสงวนกันทำไมจะต้องรักษากันความรักษานี่มันก็เป็นภาระถ้าอย่างนั้นอันนี้มันก็ต้องมันก็ต้องเป็นภัยอันหนึ่งสาหรับผู้ที่สงวนผู้ที่รักษายุตเป็นสิ่งหนึ่งที่ไม่น่าไว้ใจทั้งที่งิก็ไม่ทราบนะว่ามานันคืออะไระเป็นวิชาจริงรู่ไหมเพราเราไม่เคยเห็น ว่าวิชาที่าจริงกับอวิชามันต่างกันยังไงเรียกว่าวิมุตติกับสมมุติมันต่างกันปัญญามันก็มีคือกว่าเกิด ค, ความสนใจในจุดนั้นพิดเพนาที่นั้นอันนี้รู้สึกว่าพิสดารมากถ้าจะพูดตามที่พิจารณามา น, นี่ยืนยอดยออกมาเฉพาะเฉพาะพให้ได้ความตามโอกาสอันควรเป็นสรุปลงมาที ว, ว่าอันใดที่มีความปรากฏตัวขึ้นมาให้พิจารณานั้น สิ่งที่ปรากฏตัวขึ้นมานั้นเป็นเรื่องสมมุติเท่านั้นมีหมายถึงทำอะไรอีกปรากฏขึ้นที่ใจแม่ที่จุดจุดที่มีความสว่างสบายอยู่นั่นนั่นแหละคือจุดอวิชาตแกําหนดลงไปที่นั้นในปัญญาสภาวะธรรมทั่วไปนั่นเป็นสภาพธรรมอันหนึ่งอันหนึ่งชั้นใดธรรมชาตินี้ก็เป็นสภาพธรรมอันหนึ่งเท่านั้น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 จุดสุดท้ายนี่ว่าเวลาสุดท้ายพอปัญญาคขควรดูการพิจารณาก็เหมือนกับพิจารณาสิ่งอีกคือไม่พิจารณาเพื่อถือเอาพิจารณาเพื่อให้รู้สิ่งที่ตามความจริงของมันที่ปรากฏนี่เมื่อันนี้มันจะดับมันมันมันมันไม่เหมือนสิ่งทั้งหลายดับสิ่งทั้งหลายดับเป็นเป็นความรู้สึกของเราเข้าใจแล้วในสิ่งนี้ เป็นอย่างนั้นแต่อันนี้ดับมันไม่เป็นอย่างงั้นค อ, อันนี้มันสลายลงไปทันทีเหมือนกับอะไรมาพูดถึงฟ้าก็เหมือนฟ้าแหละมันเป็นขณะอันหนึ่งที่ทํางานของตัวเองหร่ามันพลิกขนาดมันพลิกคว่ำลงไปแล้วหายไปเลย พอนี้หายไปแล้วเราถึงจะทราบว่านี่คือวิชาจริงเพราะอันพอพอเห็นว่าอันนี้หายไปแล้วมันไม่มีอะไรที่จะเป็นปรากฏขึ้นมาให้เป็นตัวสมมติสิ่งที่เหลืออยู่มันไม่เป็นอย่างนี้มันเป็นเป็นธรรมชาติที่บริสุทธ อี่แม้จะไม่เคยเห็นแต่จะปรากฏเพียงขนาดนั้นมันก็ไม่เป็นมันไม่มีอะไรเป็นน่าสงสัยอืมันภาระมันทึ้งหมดคำว่าเราก็หมายอันนี้เองหมายที่อันนี้ยังตั้งอยู่พิจารณาเราก็พิจารณาเพื่ออันนี้หรือคำว่ารู้ก็ว่าเราตัวนี้อยากรู้คำว่าสว่างก็เราสว่าง ามำว่าเบากว่าเราเบาว่ามาสุกกว่าเาสุกคําว่าเราว่าเราก็คือหมายถึงตัวนี้เองนี่ตัวตัวที่ว่าตัววิชาทแท้ทําอะไรก็เพื่ออันนี้ทั้งนั้นเพราอันนี้สลายไปแล้วไม่มีเพื่ออะไรหมดถ้าจะเทียบปุ๊กมาก็เหมือนน่กคนหมอ ท, ที่ถูกทําลายไปแล้วแม้จะเทน้าลงไปมากเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรถ้าขังอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ ปุงขึ้นมาตามธรรมชาติของขันมันก็ปุงขึ้นได้แต่มันไม่มีที่เก็บพราะภาชนะอ น, นั้นมันดับมันสลายไปแล้วไม่มีอะไรอยูปรุงก็พอปรุงภาพดับไปมันก็ผ่านไปธรรมดาหายไปหายไปไม่มีที่เก็บไม่มีใครเป็นเจ้าของธรรมชาติที่รู้สึกตัวเองว่าไม่มีอะไรเป็นเจ้าของนั้ น, นก็เป็นความพอตัวของธรรมชาตินั้นอยแล้ว นั่นจึงเป็นธรรมชาติพอตัวและหมดภาระที่จะระมัด ร, ระวังรักษาเป็นความพอตัวหรืตายตัวอันนี้เองที่ปกปิดธรรมชาติดูจึงไม่เห็นความอัศจรรย์ในหลักธรรมชาติของปิดอันแท้จริงแต่เรามาเห็นอันนี้ว่าเป็นของอัศจรจรย์เสียจึงมารักมาสงวนมาหู่วงไว้ มาเข้าใจว่าเป็นเราเป็นของเราคิดเราสว่างไสวจิตเรามีควา ม, มออากล้าหาญจิตเราเป็นสุขจิตเรานี้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ธรรมชาติอันนี้ไม่รู้ตัวเองนะท่านเรียกว่าวิชาแท้พอกลับมารู้อันนี้อันนี้มันสลายไปพอรู้แล้วอันนี้ตั้งอยู่เมื่นใดก็สลายไปพออ น, นี้สลายไปก็เหมือนเราเร า, เราเปิดฝาหม้อขึ้นมานั่นเองมีอะไรอยู่นั้นมันเห็นหมดอันนี้ทานั้นเราปิดเลย ความจริงที่เป็นความจริงพิเศษจากสัจจะคือทุกสมุทยนนัยลดมากก็คือความบริสุทธนี้เป็นความจริงที่นอกจากสัจจะทั้งสี่สัจจะทั้งสี่นี่มันสองสัจจะหนึ่งก็เป็นฝ่ายผูกมัดสองสัจจะหนึ่งก็เป็นฝ่ายแก้ฝ่ายดับดับอะไรผูกก็ผูกอะไรก็คือผูกกีบดวงบริสุทธิ์นี้คือมาปกคลุมไว้แก้ก็คือว่าเปิดออก เปิดสิ่งที่ปกคุมนะ่ะให้ได้เห็นความบริสุทตามความจริงของตนความจริงนั้นมีอยู่อย่างนั้นแล้วแต่ว่าสัจจะทั้งสองคือทุกสมุทัยนี่มันปิดเหมือนกับฝามอบปิดหม้อไว้มีอะไรอยู่ในนั้นก็ไม่เห็นมรคคือข้อปฏิบัติเปิดมรคนี้โรดเปิดขึ้นมา ก็เห็นสิ่งที่อยู่ในหม้อ น, นั้นชัดว่าเป็นอะไรเ mm. ขาไม่สุดเป็นของมีดั้งเดิมก็ตามแ ต, แต่ถูกทั้งสองนี้ปิดและถูกสัจจะซิ่งเป็นฝ่าแก้ทั้งสองนั้นเปิดขึ้นมา mm. นี่เปิดก็เปิดให้อันนี้เองผูกก็ผูกมั น, นปิดมันไม่ไดพอเปิดขึ้นมาแล้วมันก็หมดปัญหาสัจจะทั้งสองนี้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 ธรรมชาตนนินั่นก็เป็นธรรมชาติตายตัวเรียกว่าวิมุตสิ่งที่เห็นนั้นคือเปิดให้เห็นวิมุตคือความมืสุดโดยหลักธรรมชาติเนี่ยทาร ะ, ะหมดก็หมดของนี้ไม่มีอะไรความมืสุดแล้วไม่เสียสันตัญญาตัวเองส่วนภายนอก มันยังไกลโลกธรรมนอกเกี่ยวกับสิ่งภายนอกโลกธรรมในหมายถึงความวั ด, ดีวัาเจ่าวัสุภทุกภายในตัวเองมันก็หมดปัญหาไปกับจุดนี้สลายไปคือไ น, นามาถึงคันนีไ้ไม่กว้าง ไ, ได้อุบายจากครูอาจารย์ที่ ผู้ที่ท่านเคยรู้เคยเห็นเคยผ่านไปอธิบายครั้ง้าไปได้อย่างรวดเร็วแต่สําคัญจะไปคาดคณีความคาดคนนี้ไม่ใช่ทางอะไรปรากฏในความรู้สึกก็พิจารณาจุดนั้นสิ่งที่ปรากฏนั้นเป็นลําดับลำดับถ้าเข้าใจกันไปเรื่อยๆนี่เป็นทางที่ถูกอภิชาญคือหมายถึงอันนี้ เ, เป็นอภิชาญแท้ เราต้องกระปิจิงการสาขาเหมือนกับเท้าวันเนี่ยมันเกิดขึ้นที่นี่เรื่อยไปที่ไหนไม่ทราบมันยาวเท่าไหร่มันก็รื่อยไปเลื่อยไปเล่อยไปเวลาจับถูกแล้วก็ตามเข้ามาตามเข้ามามันก็ลงมาหยุดเดียงลำต้นมันอยู่ที่นี่รากมันอยู่ที่นี่พอถอนรากมันขึ้นแล้วมันก็ตายไปเลยกันหมดกิงการสาขาอวิชตามันถึงกว้างขวางมากมา เราถงอวิชชากินไปไม่รู้อะไรเป็นอวิชชาแต่กาพิจารณาเรื่องของปัญญามันก็พิจารณาเขาปัดถึงจะไม่รู้วันนี้คื อ, อวิชาก็าตามแต่การพิจารณานะั้นมันถูกทางแล้วมันก็เปิดขึ้นเองเช่นเดียวกับเรารับทานเขา อ, อีกเขาแสดงขึ้นมาให้เห็นครับเป็นแหละ การกราบยันว่าสรุปอันธรงมปิชาเป็นอุปาทิภพหรือกรรมมาภพมันก็เป็นเรื่องของวัตจักอันเดียวก็ที่อาจารย์พูดนั้นถูกต้องอมันหากก่อภพก่อชาภายในตัวเองอยู่อย่างนั้นเรื่งของจิตจะดูเฉยๆไม่ได้มีแต่เรื่องก่อภพก่อชาติทั้งนั้นทํางานสั่งสมเพื่อตัวเอง แต่โดยมากจะสังสมเพื่อทางกดทวงตัวเองลงเผื่อทําลายกรงกรรมกระามา่อถึงทำลายตัวนี้พอทําลายตัวนี้แล้วมันก็หมดอะไรต่อถึงสิ่งภายนอกที่มาเกี่ยวเคยมาเกี่ยวข้องกับเรามันก็เกี่ยวข้องกันไปธรรมดาผ่านไปผ่านมาไม่ได้สูญสาบไม่ได้เข้าตัางบ้านตังเรือนไม่ได้มาอยู่อาศัยในจุดนี้เหมือนแต่ก่อนเห็นทตุใดผ่านไปผ่านมาธรรมดา แล้วก็ทราบชาัดว่าธรรมชาตินี้ไม่ไม่ได้สืบต่อกับอะไรความสืบต่อของธรรมชาตินี้เราทราบมาเป็นลําดับแล้วพอมาถึงขั้นไม่สืบต่อกับอะไรนี้เราก็มาทราบนเรื่องของพวบของชาติต่อไปจะเกิดกดีหรือไม่นั้นไมันจําเป็นประคาศะเนเพราะปัจจุบันนี้บอกหรือแล้วอย่างชาัดเจนว่าเมื่อไม่สืบไม่ต่อไม่ก่อพบกว่าชาติภายตัวเองให้เห็นประจักษ์อยู่มันก็ไม่มีพบไมีชาติอะไรจะต่อไปข้างหน้า เพราะโรงงานนี้ได้ถูกทำลายซะแล้วไม่ก่อตัวขึ้นมาหรือไม่ก่อเหตุแต่ตัวเองขึ้นมาเหมือนอย่างที่เคยเป็นมามทําลายโรงงานอนที่ว่าขันล้นล้วนก็หมายถึงตอนนี้ขันก็เป็นขันล้นลวนไม่ไม่ไม่เป็นกิเลสถ้าจิตตรงนั้นไม่เป็นกิเลสขันก็ไมเป็นกิเลสเป็นแต่เพียงเครื่องมือถ้าส่วนใหญเป็นกิเลสขันทุกขันเป็นกิเลสไปตามๆกัน รูปเป็นเครื่องเสริมกิเลสให้พออพูนในใจเวทนาสัญญาสังขารนิยาณเป็นกิเลสเครื่องเสริมใจทุกอย่างหาจิตบริสุทธ์ขันก็บริสุทธ์ตามส่วนของขันถ้ามีอะไรเป็นเป็นกิเลสถ้าหากิเป็นกิเลสเเขันก็เป็นกิเลสวันยังคขันจริงจริงก็พภพก่ อ, อ, อชาติคือเรือร่องของกิจ ปิดตัวเองอยู่อยนันมันอยู่เฉยไม่ได้ลักษณะของกิดที่มีกงจับเป็นเจ้าของงานหีืเป็นหัวหน้างานมันจะต้องหมุนตัวอยู่ใช่ไหมมุนอะไรก็เพื่อเรื่องของพบของชาติทั้งหมดพอธรรมชาติอันนั้นมันสลายลงไปมันก็ไม่มีอะไรจะก่อรู้ได้อย่างนั้นนะ่ะปิด ที่ท่านรู้ว่าทัานต่อไปว่าไม่เกิดอีกนะพระกทุทธิจ้าท่านอุทานทรงอุทานขึ้นมามนรู้อยู่ในปัจจุบั น, ม, นมันไม่มีอะไรจะมาเกาะตวัวนดีทั่นก็เป็นส่วนดีชนหนึ่งนะแต่วันน้มันไม่มาซึามซาบกันมันมาคร่ากัน ชั่วมันก็เป็นแก็รู้ชั่วมันก็เป็นอันหนึ่งเสียอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งไปเสียมันไม่วิ่งเข้าถึงกันแต่ความที่ไม่เข้าถึงกันมันก็ไม่อยู่ในความบังคับคือมันเป็นธรรมชาตินั่นเองเวลามันวิ่งเข้าถึงกันเราก็ไม่ได้บังคับมันมันมีสี่อมันต่อกันวิ่งถึงกันเอง มือมันหมดสื่อแล้วมันมันก็ขาดว่าขาดตอนของมันเองตามความรู้สึกของก็ผมที่พิจารณาแล้ตอนอนี้มันจะดับลงไปมันมีขนาดเหมือนกันมันเป็นขนาดคือขนาดนั้นเราไม่ได้คาดในฝัน มันเป็นขณะอันหนึ่งที่ทําให้สะดุดใจขนาดที่วิชาดับมันเป็นขนาดอันหนึ่งกันถ้ากัดว่ามันคลิกตัวเองเป็นโลกใหม่ถ้าว่าโลกนะมันเป็นโลกใหม่มันพลิกพับพลิกพับอย่างวิชามันก็ดับในะขนาดนั้น แต่ไม่ได้อยู่ในการคาดคะเนไม่ได้อยู่ในความตั้งใจว่าจะผิดมันเป็นขึ้นมาเองมันเป็นส่วนละเอียดรูปปฏิบัติการปฏิบัติในในศาสนานี้ถ้าปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์มันก็มีที่มีเพลิดเพลินอยู่สอง ระหว่างอุปทานของของกายกับจิตกายกับจิตเป็นอุปทานต่อกันจะแยกจากกันนี่เป็นเคล็ดลับหนึ่งกลับ้าจิตนี้มันมีเคล็ดนน ล, บาานนลดับสองที่จะทําให้ผู้ปฏิบัติสําคัญผิดแต่นอกจากนั้นก็มันก็ไม่น่าจะสงสัยมันมีอยู่ส ผมเคยไปรำเพลนอยู่ที่ด้นอยพระจานท์กรงมาปัญหาข้อนี้่ข้อเรื่องวิญญาณมันทำทำให้งงเหมือนกันคุยขนาดนั้นจิตมันมันสว่างจนจนตัวเองเกิดความอัศจรรย์ความสว่างสวัยทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเป็นเหตุให้อัศจรรย์นั้นรู้สึกมารวมตัวอยู่ในนั้นหมด จน เ, เกิดความประทับใจในตัวเองว่าแมมจิตของเร า, าทำไมถึงขนาดนี้มองดูกายทั้งกายไม่เห็นมันเหมือนอากาศสัาว์ทั้งหมดว่างไปหมดเลยจิตนี้มีความสว่สางไสวอย่างเต็ม ท, ที่แต่ก็ไดช้ชะพอพอเกิดความอรศจัรย์ตัวเองในเวลานั้นด้วยความหลงไม่รู้สึกตัวนพูดถึงธรรมะ ส, ส่วนประโยชมันเป็นความหลงอั น, น มาสัจจันต์เลยทำไมจิตของเราถึงเป็นได้ขนาดนี้เพราะว่างั้นก็มีธรรมะบันดาลขึ้นมาอันนี้ก็ไม่ขาดในฝันเหมือนกันพูดขึ้นมาเหมือนกับมีคนพูดอยู่ภายในไงแต่ไม่ใช่คนพูดพูดขึ้นมาเป็นเป็นบทเป็นบท <c oughs> ถ้ามีจุดมีตตมแห่นผู้รู้อยู่ที่ไหนนั่นแหละคือตัวภกหมาย ธรรมชาตินั้นมันเป็นจุดจริงๆริงจุดของความลูกจุดของความสว่างมันมีจุดจริงที่เราก็ไม่ได้คำนึงว่าอะไรมันเป็นจุดเหงางทีมึงเอาปัญหามาคบคิดจนกว่าได้มาพิจารณาถึงตอนนี้แล้วตอนที่ว่าจุดนี้อันนี้มันปัญหานี้มันยุติลงไปถึงในย้อนกลับเป็นบรรลุเรื่องที่ว่าคำอา ถ้านี้จุดแห่งมีจุดมีตอ่อมีที่ไหนนั่นแหละตัวพบมันถึงมาได้ความอ๋อหมายถึงอันนี้ก่อนไม่เข้าใจมันเป็นจุดจริงๆมหัจศาจรรย์แค่ไหนมันก็เป็นจุดของความอหัศาจรรย์มันเป็นจุดให้รู้อยู่พออันนั้นมันสลายลงไปแล้วมันไม่มีจุดเพราะจุดมันเป็นสมมุติเท่านั้น แล้วอย่าแค่ไหนมันก็เป็นสมมติอุตส่าห์มีอะไรที่จะพูดก่อนนิมนต์พูดได้ขอความใจมีอะไรพูดได้ได้ความเท่านั้นครับต้องพิจารณาต่อไปก่อนจะขอเมื่อน เงนินปิดนะนะประบมเราเอาเวลาแค่คืนนั่งอย่างนี้ั้งปุ๊บทั้งไปแค่สามหมู่ก็เหมื อ, อ, อ, อ, อ, อ, อนนี่เขาทําปถึงนี่เงี้ยอจะไปสงวนอะไรทำงั้นไม่สงวนถ้าพิจารณาไปไม่อาจพิสูจจิตถ้าจะคลี่หายได้โดยการไปางานจริงก็ขอให้คลี่หายไป อะไรแจะรับรู้ว่าบริ่อถึกใครมันรู้กันรู้จะทิบหะไปหมดไม่มีอะไรจะรับรู้กันเมื่อถึกก็ขอให้รู้กันอย่าได้สงสารเลยก็เพื่อว่าจะมาสมุทรเพ่อจัด ก, กันไว้ว่าควยจะมาแค่นี้นเอง mm hmm. หาว่าไม่ไม่ลงขนาดนั้นยังไงก็ต้องติดขอให้รู้ทั้งนั้นอะไรจะสนับไปอะไรก็ดับแม่ที่สุดติตดติดตรงนี้จะจะดับไปเลยเ้วยอํานาจของการพิจารณาก็ขอให้ดับไปได้ที ไม่ต้องสงวนไว้เวลาพิจารณาต้องลงถึงขนาดนั้นแต่จะหนีความจริงไปไม่ไปไม่พ้นถึงถึงได้ที่เกิดถึงนั้นก็ต้องดับถึงยาที่กินเป็นหธรรมชาติของตัวเองแล้วก็จะไม่ดับคือยกิจที่ไว้สุทธิ์นั้นจะไม่ดับทุกสิ่งทุกอย่างดับไปผู้รู้ว่าดับมันไม่ดับแนละ้วพอดับไปอันนั้นดับไปผู้ที่รู้ว่า คือ น, นั่นดับไปมันไม่ดับนั่ น, นแต่ว่าเอาไว้ก็ได้หรือว่าไม่เอาไว้ก็มันก็รู้อยู่ที่ว่าไงทางลาสสงวนมันไม่ได้ลาสลาสงวนนี่ก็เท่ากับลาสงวนอวิชามาถ้าอวิชามันละเอียดมันอยู่กับจิตถ้าสงวนจิตก็เท่ากับสงวนอวิชาถ้าจิตจะขึ้นหาไเหมือน ก, กันก็ขอขึ้นหาย ขาบุกมาเหมืนอนกับฟันกับฟันลงไปเลยไม่มีอะไรหลือทำม้วนลงไปโดยกันหมดขนาดนั่งพอดีขาก็มีการแบ่งสู้แบ่งรับกันยังไงก็ต้องติดในในในคันนี้นะไม่ยอมแบ่งสู้แบ่งรับเลยจะเปิดต่ อ, อให้หมดหรืออะไรจะดับอ่ะให้หลับให้หมดพอดี ส่วนที่มันดับยังไงก็ไม่ดับ <c oughs> ถึงจะว่ากันกครับแต่ตัวอืมผมพูดง่ายๆว่าต้นมันเข้าไปอยู่ในบ้านนี่ถ้าเราจะสงวนตัว บ, บ้านตรงนี้นตัวมันก็อยู่ที่นั่นเดี๋ยวก็ยืนมป้างมากตาเอาครจะเผาทั้งบ้านก็เผาไปเพราะจนหาว่าจะปล่อยตัวคนนี้ไว้มันจะทำลายของสิ่งที่มีคุณค่ามากอะไรยิ่งของบ้านหลังนี้เขายอมเสียสละับ้านหลังนี้ไฟเผากันไปเลย <c oughs> มีอ่ะที่ว่าเอาวิชาเผาวิชาของมันเอาจริงจะาดับก็หดับไปจริงเท่าจริงๆริงไม่ดับเผาเผานั่นหมดถึงจะรู้อ๋อถึงจะมีคุณค่ามันอยู่ตามหน้าของวิชามันครอบกันเวามวิชาดับประสกอันนี้เปิดแทนที่จะดับไปด้วยมันไม่ดับฐานสงวนน่าเป็นอนัตติไปมตลอด่ล้วก็ผมไมีพิจารณามาเป็นอย่างน ในตอนนี้เป็นตอนที่พ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่ท่านเสียไปแล้วผมรู้สึกว่าโอ้จนกรอบจนมุมอยู่กับหมูเพื่อนไม่น่ะในกิจอยู่กับใครไม่ได้มันไม่สะดวกไม่สบายมันไม่สนุกที่จะน่ะอย่างที่กระวงกวงเกนะี่ยวกับอย่างมันหมุนจริงจริงจิตถึงขั้นหมุนหมุนไม่มีเวลารับยังแต่ให้ชื่อว่าในขนาดนั้ น, ม, น, ม, นมันหมุนเป็นธรรมจักรนันไม่ มันไม่ใช่เป็นวัตตจับคื อ, อมันหมุน่อยจะแก้ตัวเองมันหมุนหมุนตลอดเวลาพอถึงมันทํางานเต็มที่มนแล้ว ม, มันก็อยู่ได้แล้วจนเกิดความลำคันวิญญาไปทลายไร้เหยื่อพระบัณฑิตแทนที่ภาระเราจะลดนอ้อยถอยลงไปเหตุใดจึงมีภาระมากมายอย่างนี้นแล้วมันมีวันมีคืนด้วยทำํำไมจึงเป็นอย่างนี้นเกิดความบังวล ลำคันเหมือนกันทั้งๆ ท, ที่ลำคาัางนั้นแหะมันก็ไม่ถอยมันก็ยังหมุนอยู่ต่อหน้าต่าเนี่ยหมุนด้วยนะหมุนเพื่อหาอหค่าก็บ่าเราอ่คุยเฉียหาสิ่าที่มันยังไม่เห็นหรือว่าอะไรมันมันกัดคล้องตรงไหนอันนี้มันคุยเสียงเหมือนพอสัมผัสทันพับก็จับตามเลยทีพอเข้าใจภาพอันนี้ผ่านไป หายไปคนอีกไม่เป็นกก่างนับผมว่าการอย่าง น, นั้นอยู่ในตอนนั้นก็จะเร็วอยู่ออสอนมือควรบาทีผมก็สอนอย่างเตนมที่เหมือ น, นกันก็มืควออเอาไปไงถึงงถึงการทาวันนี้ไม่สามารถจะแก้หมดควได้เข้าใจว่าองค์ไหนจะสามารถและจะพาไปถ้านี่หมดความสามารถจะแก้หมดควแล้ว ขนาดนั้นเพื่อให้หมู่เพื่ลงใจเพราฉะนั้นเวลาเทปบางกันนี่จึงไม่ยอมอัดเทปเพราะเรื่องจากเทปอย่างนี้เอาลงไปอย่างเต็มที่ไม่ยอมอัดเทปเลยพอเทปไหายไปเลยความกันจะคว้าหรือว่ามาผู้คนอื่นที่ยังไม่เข้าใจกันเรื่อเรื่องแล้วเราจะหาปวดดิกปวดดีอะไรไปแ้่จริงเราพูด เพเป็นกำลังจิตของบุคิลว่าอ๋อต้องเป็นอย่างนี้แน่เอาฟาดลงไปอย่างนี้นี่นะอ๋องีัย น, นะคุณๆๆเอาลงไปไม่ผิดคือใช่เป็นอย่างนั้ห น, นึ่งกเป็นการประกันเพื่อให้บุคคลไม่มีแก่ใจได้หมุนตัวลงไปอันนี้คนอื่นที่เขาไม่เคยทราบเรื่องราวล้วเขาก็จะว่ า, า, เ, ราเราอวดอะไรแทนที่เขาจะเป็นประโยชน์เขาก็จะเป็นโทษไปหากาเราไม่เป็นโทษเขาก็อาจจะเป็นระวังบางการรู้บางรายที่ควรจะพูดให้ถึง ฐานจริงก็พูดไม่งั้นผู้นั่นจะไม่ไม่เป็นที่โล่งใจได้เราต้องมูนต้องอย่างเต็มที่ไอ้ข้าก็เปิดรับกันเลยจ้ึงไหนทึงกันไม่มีอะไรเหลือสัดจังอ่ะเปิดเลยแย่นั้นขอมีแต่มันก็มีเป็นบางการมันจะมีเรื่อยๆนะแต่เหตการณ์ที่ควจะเป็นไปแค่นั้นไม่เป็นไปางโยงขนาดนั้นคนอื่นมาฟังเขาก็ถช้าว่าบ้าแล้วพระธีบ้าแล้วใช่ไหมเงิน คือมคาคากรมมันจะไม่รู้สึกตัวเวลาเกิดมีเศรกิดมีหมุนลงไปขิวกิวขิวช้ำแบบความจริงคาคาก็มานี่มานี่มานี่อย่างนั้นนะมานี่มานี่มาคาคาไปอ่น้นเอากองนี้มากรงนี้มากรงนี้มาเอี่สอบเยี่ยมนี่ยจิตเออผมถึงมาห้านเ็บแล้วยับกล่าวยันยับเพียงตอนนี้นอกนั้มันกับคายากันไม่ยอมให้อัดเทพเลย มันมันฟังไม่ได้ทั่วไปแต่เป็นปัญหาเราคงต้องโบกออกก็เปิดปต้งเปิดหนุ่มนะครับ <c oughs> คืบางร้านที่ควรจะเปิดนั้นมัมนมันจําเป็นอย่างนิ่งมันรั้งมันไม่อยู่เลยมันต้องผางเลยอันนี้มันแล้วแต่เหตุการณ์คือเราก็ไม่ไตั้งไว้<อ>ถึงการที่มควรจะเป็นมันเป็นจริงจริงขอขอ้ขอคุณหน้าขอให้ร่งขนาด จะพี่ยังได้ฟังพัฒนาที่สุดนะครับผมผมเองเคยฟังพระแม่คุณจันใหญ่ถ้าท่านลงขนาดนั้นแหมมันถึงใจสามมันค่ากับใบไม้ไม่ไหวตีมเลยนะในความรู้สึกอำนาจของธรรมะท่านครอบเห้า ผู้ฟังก็ตั้งใจอย่างเต็มที่ผู้เทศประเทศตั้งใจอย่างเต็มที่นี่มันรับกันเทศมาผ่านมาั้งสามวันข้ากับใบไม้ั้นไม่ไหวจริงเลยเงียบหมดอำนาจทำมังกันแต่อำนาจนี่หน้านี่หนา้านี่คนะ่ะนี่หนะน้นะนนะนนะาอะไรก็ไม่เห็นก็ชี้คนตาบอดดูยังจะทำไง <laughs> นี่หนะน้าโอ้ยอาสังเวชเหมืกัน มันยังอยู่ที่ไหนถ้าไม่ได้กลับจะจำมันแล้วนอนไม่ได้่ไหนนี่ก็เหมือนกัน <c oughs> แม้สุดจะเดินหนึงกรมก็ต้องหันหน้าไปก่นว่ามันจะมีอะไรเป็นที่หมายในเรื่องสมมุติก็เอารูปของท่านอากไม่มีอะไรเลยก็เอาคุณธรรมของท่านประกอบเรื่องของสมมุติ <c oughs> น้อมนมำพระการไปพ <c oughs> อคุณของท่านไม่มีวันจิดจังประหนึ่งว่าท่านไม่ได้รวมรับไป ธรรมชาอันหนึ่งเป็นอย่างนั้นเหมือนกับดูเราอยู่ตลอดเวลา <c oughs> มันนาที่สามุกท่านเห็นหลักความจริงกับพระพุทธเจ้าจึงไดยอมพระพุทธเจ้าคือยอมในหลักความจริงไม่ยอมในรูปในนามอะไรยอมตามหลักความจริง่าเป็นเหมือนกันเนาะที่มันมีวันจุดจงังถึงจะอยู่ใกล้อยู่ใกล้อะไรมันไม่มีอะไรจุดจงังเพราะความจริงเหมือนกัน อย่างเช่นว่านิพานไปแล้ว 2,500 กวา่า น, นี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรกับความจริ ง, งนั้นนอกจากเป็นการสมบูริ์มีลมของเวลาไปท่านั้นหรือของธาตุขันไปแต่ลักความจริงวันนั้นไม่เคลื่อนที่เป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เช่นนั้นทั้งที่ทรงชีวิตมีชีวิตอยู่แล้ะนิพานตายก็คือความบริสุทธิ์เป็นบริสุทธิ์อันนี้เป็นความจริงอันตรายตัวผู้ที่รู้ในหลักความจริงก็ย่อมเชื่อตัวหลักความจริ ง, งนะ สำคัญไม่ยอมเอาอะไรไว้เลยนะคือท่านต้องควรจะสังหารอาหสังหารทั้งหมดเลยไม่ยอมทั้งหมดเลยเท่านั้นจะพิจารให้รู้ทั้งหมดอะไรปรากฏขึ้นมาทีรู้ความปรากฏนั้นนะเป็นทางเดินของการพิจารณาถ้าไม่ปรากฏก็ไม่ทราบจะพิจารณาอะไรดีเกิดขึ้นก็ให้มันรู้ทุกข์เกิดขึ้นสุขทุกข์เกิดขึ้นพาณาจทั้งนั้นไม่เกิดที่อื่นกำหนดตามให้รู้หมดเพราะสิ่งเหนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นดั บ, ดบ นี่แหละเป็นสิ่งที่หลอกให้หลงอยู่มีอันนี้เท่านั้นสิ่งที่เคยเกิดระดั บ, บ, บนี้หลอกให้หลงนอกจากนี้มันมีอะไรหลอกแต่เราก็ถือว่าเป็นตนเป็นตัวอย่างที่ผู้จารว่าที่นี่มันร้อยแปดตำน า, ารกินดวงเดียววันมันออกมาเป็นตนเป็นตัวจริงๆไม่ต้องรับใบไม้ไม่ลองรับผุ่มไม้จากผุ่มมึงมันโกหกเราได้สบายโกหกต่อหน้าต่อตาก็คือเรื่องของเราโกหกเรา เขอืดนเขาก็มาโ ก, โก็ยังมีเป็นบางครั้งบางคราวไอ้ตัวโกกตัวเทั้งวันมึงแหม่น่าขลดทั้งเองแก้คากหกตัวเองได้เท่านั้นมันก็มันก็หมดภยัยไม่มีอะไรมาหลอกอะไรก็กินไปนหม้ลูกเสียงกินรถเครื่องชังผักแม่ข้าวาเป็นอะไรเป็นมามาหลอกมันไม่หลอกตัวเองไปหลอกทั้งมดพอเห็นนี่ครับอ้อนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเนี่ยตั้งขึยย้นแล้วนู่เป็นภาพขึ้นมาแล้ว อารมณ์ตัวเองนี่เรามาหลอกตัวเองดิอันนั้นมันรู้ทราบว่าหายไปไหนไม่รู้เช่นไปเห็นสิ่งนี้ไปเห็นเหตุการณ์อยนั้นแล้วเราก็ผ่านไปแล้วไม่ทราบว่าเหตุการณ์นั้นมันหายไปไแต่เรื่องที่มโนภาพที่มันามาดมาวาในจิตที่มันไม่หายอันนี้หละมันหลอกหลอกไปตลอดเวลาเหยียบท่อนไม้กัว่าขวาใจบางูกระโดดแล้วจนตัวลอยขวังนอาหรือว่างูมันก็หายท่งสัย ถ้ายังมาหามมันจะโดดอีกอืนี่พอมาดูอ้อมมันค่อนไม้ดีกว่านี่เหมือนกันพิจารณาอะไรมันรู้โอ้มันอันนั้นอันนั้นขายตรงไหนมันรู้ภายในของสุขของอ้มันอันนี้มันก็ขายตรงไหนย่างนี้ไม่รู้อะไรมันก็ตื่นเต้นความตื่นเต้นของกิจไม่มีเมืองพอนอกจากจะอาทำแต่ละนับถ้ามอะไรจะลนับอะไรอย่าง คคถ้าใครควรมีอะไรชอบใครควรมีทางออกเป็นได้จะติดแน้นเหมือนภูเขาทั้งลูกกลับไปได้ดครัโดยกำลังของการพิาอจารณาตัดส่ององนั้นพิจารณาครควรเดี๋ยวจะมีข้อเทียบเทียมกันขึ้นพอเหตุกผลรับกันพับมันก็ดับไปพับหลับไปเป็นระยะระยะระยะลงต้นไปอย่างนั้นแต่ก่อนพอถึงทีนั้นแล ซึ่งจะถอนทีเดียวขึ้นดาวอย่างขวดอนนี้มันก็หมายถึงเอาวิชานั้นมันเป็นขนาดเดียวขึ้นทีเดียวข้องหมดเลยท่าทจนั้นก็หมดปัญหาเมื่อี่ะไรที่จะถันนาฟังมากเ จ, จ้ากิจน้าฟังากพูทําทํามหลักนิสัยอั น, นแต่ว่าส่วนเราเอากระพื่อส่วนหลักเฉพาะเฉพาะเท่อนัน ่ันดีมากท่านอาจารย์ขาวผมเคยเจรจากันสองครั้งเลยเจรจากันเต็มที่จริงๆก็ทุกท่านเจ้าคุณท่านค่ากับบาทจะให้กับผมกับท่านจานย์ขาวมีพบกันท่านเราลดไม่รับท่านจะไปอำเภอหนองบัวไปเผาศพเจ้าคุณศรีอะไร ตอนที่ทา่านอาจารย์ขาวเพิ่งจเล่าผมตองมันมันลักษณะเดียวกัน<อ>เอารถไปนับท่ า, ทานอาจารย์ขาวบอกไปงานที่มหาวุโภจะไปวันนี้แเวลามารับกับผมบอกท่านขาวก็จะไปเยนะเวาาเัวเนะ <c oughs> นี้ทําไมท่านนึกผู้ที่มีนามมึงแล้วก็มีสงสัยเล็กน้อยแต่เวลาท่านอาจารย์ขาวท่านมาเล่าผเรื่องท่านกับเรากับผมเราเรื่องผมบผมท่านฟังมันเรื่องมันมาประกบกันมันเป็น <c oughs> <อ>ท่านจะให้พุยกันยังี้ ก็เพลินมันน <Right. S 1> ั sack, er ่นม <barley. S 3> ันกไปก็ไปทีมให้เสียท่านจะคุณเฉยๆผมก็ไปเพราะปกธรรมดาไม่หเป็นความจเป็นนท่านทานธรรนานะผมไม่ไปนี่ท่านจะคุณท่านเรมารับเลยให้คนเอารถมารับก็จะเสียใหญ่ไม่ไปไปท่านก็ท่านสั่งคนไปก่อนแล้วท่านไปทาร้านเล็กๆไว้นู้นตอนตกวดคือวัดนั่นมันมีกอไผ่แยะทางหลัง ทางด้านหลังท่ก็เลยให้ไปทำทั้งนั้นแล้วงานเขาก็อยู่ทางหน้าวัดราะว่าทําที่นี่มาให้ท่านขาที่นี่ไว้มาหาบัวสององค์ที่ชอบป่างั <c oughs> <c oughs> ้นแท้จริงท่านคงจะเอาไปอะไรกันก็ไม่รู้ <c oughs> ไปก็ท่านไลนน่ไปนูน่นเลยไปนูน่นนู่นไทางก็ทำได้ถ้าเหมาะจริงของมันไม่มีเงียบอืงานนั้นกับผมก็ไม่เคยไม่เคยออกไปเลยนะังานอไปตามท่านเจ้าคุณก็ไปเฉยไปอยู่ในป่านอื พอตรงนนะเขาก็มีงานในการไม่ได้ออกไปนะแล้วคนก็ไปงนวนหมดไม่มีใครก็ยังเหลือแค่การขาวกับพระองค์หนึ่งผมก็เลยไปหาทั้งสองทุ่มอ่ะคุยธรรมะ ก, กันจนถึงหกทุ่มเป็นเวลาสี่ชัว่วโมงนหละท่านก็ไล่เบีย้ยกับผมไล่มาตั้งแต่ต้นเราผมก็เก่าเยินตั้งว้ พอจบแล้วทา่านคนเล่นเล่ายังข้างมันไม่มีใครม า, าเล่ามันจบมันก็หดีกว่าแล้วที่ยุบดีอ่ะคุณหนองขวัญไมจากไหมี่ยไม่ทราบว่ามานั่งแอบอยู่ข้างข้างนอกฝาในท้งหมดแล้วก็เราคุยกันแต่อย่างเต็มที่แล้วแต่มันั่ง แอบอยู่าาก้งนอกเราคุยกันอยู่ข้างในก็ได้ยินหมดทุกคำมาออเพราะเหนอเหนือพอพูดกันจบแล้วก็วางั้นนนะแอมเพื่อนเอ๊ใะใครมาที่นี่ฉันวางปุบปับเอาโก้เอาโกโ ก, โกมาถวายเจนยนหมดแล้วเัน ม, มานานเท่าไหร่ก็มาตั้งแต่เริ่มคุยธรรมากันหมดถ่าเรา อู้เราให้ฟังกันเลยมู้เราให้ฟังกันเลยบอกว่าทำมเแค่คนเราให้ฟังกันแล้วเราต้องกนนรารดิครับ <c oughs> อ๋อมดถ่าเล ย, ยไม่รู้ว่ามองลูหน้ากับกูยันขาวแล้วคือว่ามดถ่าฟังตั้งแต่เริ่มมันตั้งสองทุ่มจนระทั่งหกทุมฟังทั้งสองคนด้วยนะคือฟังทั้งทั้งสองฝ่ายเล่ จมเลยเราก็ดี้เ <Ă> ร <ương> าไปจมเลยการนี้พะก็จะขายหัวละตอนเจ้าอย่างหัวละเจ้าหัวละแหมแหมะท่านาก็นดีจมเลยนะเราเนาะก็ข้าวเราเอาไปอย่างเต็มที่เลเล่าไปทุกกระเบียดเลยท่านก็เหมือนกันครับผมเหมือนกันเล่าทุกกระเบียดทุกกระเบียด่ยด า, านงแตมต้ น, ตนมความสามารถทา่านก็เล่าของท่านนึ้งต่ต้นจนหมความสามารถ มดขีดแล้วก็หยุดกันขึ้นเลยมดถ่าใครมาแล้ววะตอนนี้ก็ยังเพิ่งเพิ่งมานะใครมันฉันว่าไงใครน่ะฉันนอยู่ดีแล้วมันก็ชักชาทําทําท่าไจะดูแล้วในนะแต่ไม่อเสารวก็เอาไปกินหมดแล้วเราจะจะมาดูมีถ่าเลยฉันแล้วมาตั้งเมื่อไหร่มานะโคโค่ฉันเย็นหมดแล้วมาตั้งเมื่อไหร่ล่ะก็มาตั้งก็เริ่มทํามะที่แรกถ่า มดท่ามัานด้เขากับมุดท่าขึ้นมสูกแล้วเล่าดังเต็มที่ไม่ไม่คือไม่ตัดมากตัดตอนหรืเล่าไป็นลำดับลำดานั้งขนาดนนจมเลยล้วมีสองคนเท่านั้นเราะลับไปไปไปพบกันครั้งแรกด้วยพบกันในเรื่องธรรมะ เรางานบันดาลท่านจะคุ้นต้องเอาไปท่านอาจารย์ท่านยัเขาเลยเอาผมไปด้วยองานกําลังจะเริ่มคุยธรรมะ ก, กันเขาก็มาตามในทิพย์ในเมืองนี้แหละมาตามเราลงพ า, พาไปพาไปเป็นหัวหน้าเียนเคียนนะเราผมก็เลยแก้โอ้ไม่จําเป็นนะเราเยนเคียนใครเย็นก็ได้ไปไม่พันไปเยน็นถ้าอาจารย์ท่านหนาวท่านออกไปนอกขนอกไม่ได้แนละ้ววะเพื่คุยธรรมะ ก, กันเราวันนั้นเราไป แเดี๋ยวกลับมาอีกใครๆก็ไม่ยอมมีุมกันมาเลยทักสิบกว่าคนมาเอาไปจนได้เฮ้ยไม่ไหว เ, ออเปิดนี้เลยผมดีวันนั้นไม่ได้คุยดรามาเลยเยนแจ้งลงไปแล้วเยนแจ้งว่นี่นี่เย็ยไปเลยอีกเราถามหมดหวังยงได้ไปคุย ก, กันที่ยงบนนองบวัวก็ไปถุงชั่วดีเอาไว้นั่งทหมดเลยคว่ำ เ, เลยนะถุงชั่ดีคว่มทั้งหมด มีชาติยังมาหัวรอกันอย่าง น, นี้นะที่เขาสื่อคมรักกันไหนจะคงเป็นแบบนี้เองเาทันมาคนเป็นดังกำนองเราคุยกันปิดจบคุยแต่เราดูมนอะไรเ่็เขาไปเจาะข้างมันดีกว่ามาไม่ทราบมาทั้งมือเลยไม่ไม่มีกระแอมเลยตั้งตั้งต้นไป ท, ทั่งจบนี่ ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเนียจู่ต <c oughs> ้งแปลงพจบแล้วถึง <c oughs> ทีเดียวนี่นะโถมันก็น่าจะมีัค่นิดนึงนะตั้งสี่ชั่วโมงกว่าแล้วไม่มีเลยะเ <c oughs> อันมึงแปลกมากนะ <c oughs> ต, <c oughs> ตนั้งอยู่ดีั้งยี่าอมแบงอ่างี้ก็่าคททุกกะเบียด มีครานั่นเองทุกการทระเบียบเยเป็นเก็ดสายแห่งควาสามารถไมครันสมมติแ้กถาก็ดีผลในได้ก็ไ่ไปอยู่กับที่อยู่ดีเหมดะเลยเราถางคนต่างก้าวมาเต็มพวงของขัเพราะนั้นเอาใส่กระเป๋าไปเหมาะเลยทั้งสองคนไม่ได้ไม่ไดมองหน้ากัน หาแก่กายคุณน่าไปบอกไม่ถกคนนั่งงานคนไหนคุณคุณทำระยทำระยะกลางกลางกลางกลางคืออยู่ทั้งวมนี้อะไรอัด เทพมันก็ไม่มีตอนนีพระปรกเอาหัง่องอะไรนั่งยังว่าเพราะการเกิดมันก็ขึ้นอยู่กับภูมิธรรมของผู้เกิดภูมิเราเป็นภูมิหนึ่งท่านเทศท่มรรคท่านเป็นภูมิหนึ่งไปเกิดมันมันมันไม่ได้ความจินอย่างแค่จริงข่าวว่าผู้ไปเกิดนั่นก็มีภูมิเพราะต้ข อ, ของ ด่างน้อยก็จะว่าภูมิสูงอยู่บ้างหรือมีภูมิดังเดียวกันเนีมันก็เต็มไม่เต็มหรอแล้วก็ยังดีได้มาพิมพ์เล่นไปเล็กๆยังไงเชาด า, า, าที่นังสือชีวประวัตินั้นมีของท่านอยู่นั่นจัดถึงยี่สิบห้าปรเ็นก็มีของท่านเฉพาะผู้ตัวไทายเฉน้องนั่นกับตอมแปะ ม, มันจะมากมา อผมอ่านเองด้วนั้งถือชีวประวัติทั้งทางขก็เดี๋ยวอ่นก็ไปจับใหญ่แต่จนประเพลทึหมดตุดให้ต้องอันจับให่ฉันไม่มีเทเนี้อัดไวแล้วเขาจะเดี๋ยวหนอเลยต่นมกเลยตื่มาได้หมด ดีี me. ้ก็ okay. ังี่ยมาอาอืต้องคิดาเอามาให้ปาหาลอันยอือ <mort> อินาีมานมเีย อย่างนั้นมาเล่ น, น่อยกับผมมันจะบายคา ท, ยทำแานทำมาเลยไม่เหมือนแต่ก่อนเลยผมต้องหลบมากพวกพระจะไปวันพรุ่งนี้คงถ้าไม่มีรถก็คงจะเดินไปได้ยินท่านหมูปูบอกว่าไม่จำเป็นตรงนี้ต่างละจะเดินอาไว้เพราะไม่มีของอะไรมากนะ